จิตานุปัสสนาจิตที่พอใจปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อว่าจิตที่มีราคะนักปฏิบัติพึงตามรู้เท่าทันจิตดังกล่าวโดยกำหนดว่าชอบหนอโลภหนอหรือกำหนัดหนอในบางขณะเมื่อกำหนดเพียงครั้งเดียวจิตดังกล่าวอาจสงบไปได้แต่ถ้ายังไม่สงบไปด้วยการตามรู้ครั้งเดียว ก็พึงตามรู้จนกว่าจะสงบระงับไปทั้งหมดเมื่อจิตนั้นสงบแล้วก็พึงตามรู้จิตที่ผ่องใสปราศจากราคะโดยกำหนดว่ารู้หนอจิตดังกล่าวชื่อว่าจิตปราศจากราคะสมจริงดังพระพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรจิตตานุปัสนาว่าดูกระรักภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่ง เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตที่หงุดหงิดไม่พอใจโกรธเกลียดอาฆาตหรือพยาบาทปองร้ายชื่อว่าจิตที่มีโทสะนักปฏิบัติพึงตามรู้จิตดังกล่าวจนกว่าจะสงบไปโดยกำหนดว่าโกรธนอเป็นต้น เมื่อจิตนั้นสงบแล้วก็พึงตามรู้จิตที่ผ่องใสปราศจากโทสะโดยกำหนดว่ารู้หนอจิตดังกล่าวชื่อว่าจิตปราศจากโทสะสมจริงดังพระพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตที่ประกอบด้วยความสงสัย และจิต ท, ที่ประกอบด้วยความฟุง้งซ่านชื่อว่าจิต ท, ที่มีโมหะยังมีจิต ท, ที่มีโมหะอีกประเภทหนึ่งคือโลภะมูลสะโมหะจิตจิต ท, ที่มีโมหะอันประกอบด้วยความโลภที่ไม่รุนแรงมักปรากฏในเวลาที่คิดถึงสิ่งที่น่าพอใจต้องการจะอวดตัวหรือสำคัญว่ามีตัวตนโทสะมูลสะโมหะจิต จิต ท, ที่มีโมหะอันประกอบด้วยความโกรธที่ไม่รุนแรงมักปรากฏในเวลากลัวเศร้าโศกรังเกียจตรณีริษยาร้อนใจความจริงแล้วในคำพีอธิกถากล่าวถึงโลภะมูลจิตแปดดวงว่าเป็นราคะจิตโทสะมูลจิตสองดวงว่าเป็นสทโทสจิตและอกุศลจิตสิบสองดวงทั้งหมดว่า เป็นสโมหะจิตในที่นี้จำแนกตามสภาวะเพื่อให้เข้าใจง่ายนักปฏิบัติพึงตามรู้จิตที่สงสัยสงสัยหนอและตามรู้จิตที่ซัดสายฟุ้งซ่านว่าคิดหนอหรือฟุ้งหนอเมื่อจิตนั้นสงบแล้วก็พึงตามรู้จิตที่ผ่องใสปราศจากความสงสัยหรือความฟุ้งซ่านโดยกำหนดว่า รู้หนาจิตดังกล่าวชื่อว่าจิตปราศจากโมหะสมจริงดังพระพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะนอกจากนี้จิตที่หดหูเสื่องซึมชื่อว่าสังคิตจิตจิตที่ซัดสายฟุ้งซ่านชื่อว่า วิกขิตจิตจิตที่ตั้งมั่นชื่อว่าสมาหิตจิตจิตที่ไม่ตั้งมั่นชื่อว่าอสมาหิตจิตจิตที่พ้นจากกิเลส ช, ชั่วขณะด้วยการเจริญสติระลึกรู้ว่าวิมุตตจิตจิตที่ถูกความฟุ้งซ่านครอบงำไม่พ้นไปจากกิเลส ช, ชื่อว่าอวิมุตตจิต จิตดังกล่าวนี้ก็เป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสนาตามสมควรโดยนักปฏิบัติพึงกำหนดว่าง่วงหนอเป็นต้นผู้ที่บรรลุฌานแล้วพึงตามรู้จิตที่เกิดก่อนหรือว่าหลังฌาณจิตว่าไม่ใช่มหคตจิตและเมื่อจิตอื่นเหนือกว่าและเมื่อออกจากฌานแล้วพึงตามรู้ชา น, นจิต ทันทีว่าเป็นจิตที่ประเสริฐและไม่มีจิตอื่นเหนือกว่าอันหนึ่งเมื่อออกจากรูปฌานและบรรลุอรูปฌานก็พึงตามรู้รูปฌานว่าไม่ใช่มหักคตะจิตและเมื่อจิตอื่นเหนือกว่าส่วนอรูปฌานเป็นจิตที่ประเสริฐและไม่มีจิตอื่นเหนือกว่าการตามรู้มหคตะจิตและอมหักคตะจิต พร้อมทั้งสุตระจิตและอนุตตระจิตจึงเป็นวิสัยของท่านผู้บรร ล, ลุฌานเท่านั้นดังมีพระพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหคตัต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 การตามรู้จิตตามในของจิตตานุปสนามีสภาวะธรรมดังนี้คือการรับรู้อารมณ์ได้การเห็นได้ยินรู้กลิน่นเลิมรสสัมผัสและนึกคิดเป็นลักษณะพิเศษของจิตความเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์เป็นหน้าที่การเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดช่วงเป็นอาการปรากฏรูปอันเป็นที่อาศัยของจิต และนามที่กระทบหรือเสวยอารมณ์เป็นเหตุใกล้การตามรู้จิตดังที่กล่าวมานี้ส่งผลให้นักปฏิบัติอย่างเห็นความเกิดดับของจิตได้ในบางขณะนักปฏิบัติอาจรับรู้เหตุเกิดขึ้นและเหตุดับไปของจิตตามที่ได้สดับมาอีกด้วยกล่าวคือจิตเกิดจากรูปอันเป็นที่อาศัยเกิดและนาม ที่ประกอบร่วมกันถ้าไม่มีรูปนามจิตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากนี้จิตยังเกิดจากกรรมในอดีตอวิชชาและตัณหาอีกด้วยผู้ที่ยังเห็นความเกิดดับของจิตอย่างนี้ย่อมจะเกิดสติระลึกรู้ว่ามีเพียงจิตที่รับอารมณ์ไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษตรีเขาย่อมปราศจากความยึดมั่น สิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกคืออุปทานขัน์สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าเธอตามรู้สภาวะคือความเกิดขึ้นในจิตอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือความดับในจิตอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือความเกิดขึ้นและความดับในจิตอยู่บ้างเธอย่อมเป็นผู้อยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่าจิตมี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 นิวรมีห้าประการคือหนึ่งการมชฉันทะความยินดีพอใจในกรรมคือสิ่งที่น่าชอบใจอันได้แก่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยและสัมผัสอ่อนนุ่มแม้ความต้องการจะบรรลุฌานวิปัสสนามกผลและนิพพานก็จัดเป็นการมชฉันทะเช่นเดียวกันนักปฏิบัติพึงตามรู้สภาวะธรรมนี้ว่า ชอบนอ 2. พยาปาทะความหงุดหงิดไม่พอใจโกรธเกลียดปองร้ายนักปฏิบัติพึงตามรู้สภาวะธรรมนี้ว่าโกรธนอ 3. สทินนามิทาความง่วงซึมเศรานักปฏิบัติพึงตามรู้สภาวะธรรมนี้ว่าง่วงนอ 4. อุทจักกุกุจัก ความฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจนักปฏิบัติพึงตามรู้สภาวะธรรมนี้ว่าคิดหนอฟุ้งหนอหรือร้อนใจหนอ 5. วิจิกิจจาความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงสงสัยในพระธรรมคือมรรคผลและนิพพานสงสัยในพระอริยสงฆ์ผู้บรรลุ ธ, ธรรมสงสัยในรูปนาม ที่เกิดจากเหตุคืออวิชชาสงสัยแนวทางในการปฏิบัติหรือสงสัยในคำแนะนำของนักวิปัสสนาจารย์เป็นต้นนักปฏิบัติพึงตามรู้สภาวะธรรมนี้ว่าสงสัยนอเมื่อนักปฏิบัติตามรู้การมาฉันทะเป็นต้นจนกระทั่งสงบไปด้วยการกำหนดหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งตามสมควรแล้ว พึงตามรู้จิตที่ผ่องใสปราศจากกรรมฉันทะโดยกำหนดว่ารู้หนอแม้พยาปาทะเป็นต้นก็มีในเดียวกันมีพระพุทธพจน์ในมหาสติปัฐานสูตรหมวดนิวรว่าภิกษุในพระศาสนานี้เมื่อความพอใจยินดีในการมีอยู่ภายในจิต ยอมรู้ชัดว่าความพอใจยินดีในกามีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความพอใจยินดีในกาไม่มีอยู่ภายในจิตยอมรู้ชัดว่าความพอใจยินดีในกาไม่มีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตยอมรู้ชัดว่าความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตยอมรู้ชัดว่า ความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความง่วงซึมเศร้ามีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความง่วงซึมเศร้ามีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความง่วงซึมเศร้าไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความง่วงซึมเศร้าไม่มีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความฟุ้งซ่านราคาญใจมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านราคาญ มีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจไม่มีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความสงสัยมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความสงสัยมีอยู่ภายในจิตของเราเมื่อความสงสัยไม่ ม, มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความสงสัย ไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งเหตุเกิดของนิวรณ์ทั้ง5คืออโยนิโสมนาสิกานหมายถึงการใส่ใจโดยไม่แยบคายส่วนเหตุที่ทําให้นิวรณ์ดับหายไปคือโยนิโสมนานัสิกานหมายถึงการใส่ใจโดยแยบคายอันเป็นการกําหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันเช่น เมื่อนักปฏิบัติยินดีเพลิดเพลินรูปที่สวยงามเป็นต้นกามาชันทะย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อมีสติตามรู้เท่าทันปัจจุบันแล้วกามาชันทะก็ดับไปในบางขณะถินนมิทะย่อมเกิดขึ้นถ้านักปฏิบัติกําหนดรู้ถินนามิทะด้วยสติที่มีพลังแล้วถินนมิทะย่อมดับหายไปในขณะนั้น นักปฏิบัติจะมีจิตแจม่มใสปราศจากความง่วงซึมเศร้าเป็นเวลานา น, านความจริงแล้วโยนิสโสมนสิการเป็นการใส่ใจอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดกุศลทุกอย่างโดยเฉพาะโยนิสโสมนสิการในเรื่องของวิปัสสนาเป็นการอย่างเห็นสภาวะลักษณะของรูปนามที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะพร้อมด้วยสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบุคคลตัวเราของเราซึ่งเรียกว่าไตรลักษณ์เมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังมากขึ้นแม้รูปนามที่มิได้รู้ชัดโดยประจักษ์ก็เป็นอันอนุมานรู้ได้โดยปริยายการอย่างเห็นโดยอ้อมอย่างนี้เป็นโยนิโสมานสาิการเช่นกันสรุปความว่า โยนิสโสมนานสิการเป็นการใส่ใจอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดวิปัสนาญาณขั้นสูงและมรรคผลนิพพานโดยองค์ธรรมคือวิปัสนาชวนะจิตทางมโนทวารที่อย่างเห็นรูปนามไตรลักษณ์อย่างแท้จริงดังสาธกในคำพีทางาศาสนาว่าการใส่ใจวิธีและแนวทางที่ถูกต้องชื่อว่าโยนิสโสมนสิการ คือการใส่ใจว่าไม่เที่ยงในธรรมที่ไม่เที่ยงใส่ใจว่าเป็นทุกข์ในธรรมที่เป็นทุกข์ใส่ใจว่าไม่ใช่ตัวตนในธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนจิตที่ประกอบกับปัญญาซึ่งเกิดขึ้นด้วยการยังเห็นสภาวะหน้าที่และไตรลักษณ์เป็นต้นนั้นๆของกุศ ล, ลจิตเป็นต้นชื่อว่าโยนิโสมนสิการโดยแท้จริงแล้วจิตดังกล่าวเรียกว่า โยนิโสมานสิการเพราะความใส่ใจอย่างถูกต้องแม้อชวนาจิตก็มีความเป็นไปเหมือนกับชวนาจิตนั้นเพราะเกิดวาระเดียวกันกับชวนาจิตคําอธิบายข้างต้นโยนิโสมานสิการคือเหตุเกิดของกุศลทั้งหมดอันได้แก่อวัชนะจิตและวิปัสนาชวนาจิตที่เกิดในวิถีจิตก่อน ซึ่งทำให้เกิดกุศลในวิถีจิตต่อๆมาอย่างไรก็ตามในอัธกถาและดีกาบางแห่งกล่าวถึงอวัชนะจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดของกุศลว่าโยนิสโสมนสิการหรืออวัชนะจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดของกุศลว่าอาโยนิสโสมนสิการตามสมควรแก่ข้อความในพระสูตรนั้ น, น, นอันหนึ่ง โยนิสโสมนานสิการมีธรรมที่ตรงกันข้ามคืออโยนิสโสมนานสิการท่านอธิบายไว้ในคำพีอัตกถาว่าการใส่ใจวิธีแนวทางที่ไม่ถูกต้องชื่อว่าอโยนิสโสมนานสิการการใส่ใจโดยไม่แยบคายคือการใส่ใจว่าเที่ยงในธรรมที่ไม่เที่ยงใส่ใจว่าเป็นสุขในธรรมที่เป็นทุกข์ ใส่ใจว่าเป็นตัวตนในธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนอโยนิสโสมนัสิการคือการใส่ใจรูปนามที่ปรากฏทางทวารทั้งหว่าเที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้และเป็นของสวยงามแม้การใส่ใจว่าเที่ยงเป็นต้นนั้นจะไม่ปรากฏอย่างชัดเจนแต่ถ้าบุคคลไม่ได้เจริญสติระลึกรู้รูปนามปัจจุบัน ก็จัดเป็นอายนิโสมานสิการเช่นเดียวกันเพราะเมื่อหวนระลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นก็จะเข้าใจว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้และเป็นของสวยงามเช่นถ้าไม่เจริญสติระลึกรู้สภาวะเห็นในขณะเห็นก็จะใส่ใจถึงรูปร่างสันฐานว่าเห็นใครเมื่อเคยเห็นเข้ามา ในขณะนั้นเขาก็ยังเหมือนเดิมแม้เมื่อเห็นแล้วก็อาจหววระลึกว่าเขาไปที่ไหนบัตรนี้อยู่ไหนเรากำลังนึกถึงเขาอยู่ดังนี้เป็นต้นโดยใส่ใจว่าคนที่เห็นเป็นสภาพเที่ยงมีความสุขบังคับบัญชาได้หรือสวยงามการใส่ใจดังกล่าว ทำให้ไม่อาจรับรู้สภาวะธรรมของรูปนามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของสวยงามอโยนิโสมนสิการนี้เป็นเหตุเกิดของอากุศลธรรมทั้งหมดโดยองค์ธรรมคืออวัชนะจิตและอากุศลชวนะจิตที่เกิดในวิถีจิตก่อนๆซึ่งทำให้เกิดอากุศลในวิถีจิตต่อๆมา ความจริงแล้วเหตุเกิดของอกุศลในวิถีจิตเดียวกันคืออวัชนะจิตที่พิจารณาอารมณ์โดยไม่แยบคายกล่าวคือตามปกติปุตชนเมื่อพบอารมณ์หกก็มักพิจารณาด้วยอวัชนะจิตว่าน่ารักหรือน่าชังเหมือนกับคนกลัวผีที่ได้ยินเสียงดังก็เข้าใจว่าผีเดินมาหรือเหมือนกับคนที่อยากพบเพื่อน เมื่อเห็นคนอื่นเดินมาก็คิดว่าเป็นเพื่อนของตนดังนั้นเมื่ออาชนะจิตเกิดขึ้นทางปัจจทวานแล้วเกิดวิถีจิตในลำดับต่อมาคือสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตและอุัพพณะจิตที่ตัดสินว่าอารมณ์ที่ตนพบนั้นน่ารักหรือน่าชังหลังจากนั้นจึงเกิดความโลภในอารมณ์ที่น่ารัก และความกโกรธในอารมณ์ที่น่าชังซึ่งมีความหลงประกอบกับความโลภและความกโกรธนอกจากนี้แม้ในมโนทวารวิถีก็เกิดชวนาจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลโดยคล้อยตามอวัชนะจิตที่พิจารณาว่าน่าเลื่อมใสน่ารักหรือน่าชังเป็นต้นสรุปความว่าการกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบัน เป็นโยนิสโสมานสิการในวิปัสนาภาวนาแม้การใส่ใจเกื้อกูลแก่การกำหนดรู้ก็จัดเป็นโยนิสโสมานสิการเช่นเดียวกันส่วนการไม่กำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันและการใส่ใจที่ไม่เกื้อกูลแก่การกำหนดรู้จัดเป็นอโยนิสโสมานิสิการทั้งสิน้นดังนั้น ในหมวดนิวรณ์จึงกล่าวถึงการใส่ใจโดยไม่แยบคายที่ทำให้เกิดนิวรณและการใส่ใจโดยแยบคายด้วยการกําหนดรู้นิวรณนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งให้นิวรณ์ดับไปว่าอนหนึ่งความยินดีพอใจในกามที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นความยินดีพอใจในกามที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นนอกจากนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปว่าความยินดีพอใจในกามที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นข้อความนี้หมายความว่านิวรณ์ย่อมถูกละโดยสิ้นเชิงด้วยมรคนั้นๆตามสมควรกล่าวคือ วิจิกิจชาย่อมถูกละด้วยโสดาปฏิมักความพอใจในการพยาบาทและความเดือดร้อนใจถูกละด้วยอนาคามิมักทินมิทะและอุทจจะถูกละด้วยอรหัตตมักเมื่อนักปฏิบัติได้บรรลุมักแล้วจะเกิดปัจจเวศขณะยาณที่พิจารณามักผลนิพานกิเลส ท, ที่ละแล้วและกิเลส ท, ที่เหลืออยู่ในขณะนั้น จึงจะทราบว่าตนได้ละกิเลสอย่างไหนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้นักปฏิบัติผู้เข้าใจปริยัติพอสมควรย่อมทราบว่ามักเป็นเครื่องละกิเลสอย่างเด็ดขาดเมื่อนิวรเกิดขึ้นก็ทราบว่าสภาวะธรรมเกิดขึ้นเพราะตนยังไม่ได้บรรลุมรรคและย่อมขวนขวายเพื่อการบรรลุมรรคนั้ น, น, นในโอกาสต่อไป หมวดอุปทานาขันการตามรู้ขันหอ 12, ายตนะส2บองทาสิปเป็นต้นมีในกล่าวไว้แล้วด้วยการกำหนดว่าเห็นหนอได้ยินหนอเป็นต้นต่างกันเพียงชื่อตามสภาวะนั้นๆว่าการตามรู้ขันอายตนะทาตนักปฏิบัติผู้ตามรู้สภาวะเห็นว่าเห็นเนอ เป็นผู้ตามรู้ขันห้าตามสมควรดังนี้คือรูปขระคันย่อมปรากฏในขณะรู้เห็นความใสในการเห็นรูปหรือรูปอารมณ์เวทนาขันย่อมปรากฏในขณะรู้สึกดีใจเสียใจหรือวางเฉยในการเห็นสัญญาขันย่อมปรากฏในขณะหมายรู้สิ่งที่เห็น สังขารขันย่อมปรากฏในขณะต่างๆเช่นผัสสะย่อมปรากฏในขณะกระทบกับสีเจตนาย่อมปรากฏในขณะตั้งใจโลภะย่อมปรากฏในขณะยินดีพอใจโทสะย่อมปรากฏในขณะไม่พอใจศรัทธาย่อมปรากฏในขณะเลื่อมใสวิญญาณขันย่อมปรากฏในขณะเห็นเป็นประธาน นักปฏิบัติผู้รับรู้อย่างนี้ย่อมสำคัญว่ามีเพียงรูปเวทนาเป็นต้นซึ่งเป็นสภาวธรรมปัจจุบันอันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่สวยงามสมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้ชัดว่านี้คือรูปความเกิดของรูปย่อมมีอย่างนี้ความดับของรูปย่อมมีอย่างนี้ นี่คือเวทนาความเกิดของเวทนาย่อมมีอย่างนี้ความดับของเวทนาย่อมมีอย่างนี้นี่คือสัญญาความเกิดของสัญญาย่อมมีอย่างนี้ความดับของสัญญาย่อมมีอย่างนี้นี่คือสังขารความเกิดของสังขารย่อมมีอย่างนี้ความดับของสังขารย่อมมีอย่างนี้นี่คือวิญญาณความเกิดของวิญญาณย่อมมีอย่างนี้ ความดับของวิญญาณย่อมมีอย่างนี้การรู้ชัดว่านี้คือรูปหมายถึงการยังเห็นว่าสภาวะพองยุบเป็นต้นเป็นรูปที่แปลปรวนหรือการยังเห็นเวทนาว่าเป็นความรู้สึกสัญญาเป็นความจาได้หมายรู้สังขารเป็นการปรุงแต่งจิตให้มีสภาวะชอบหรือโกรธและวิญญาณเป็นการรับรู้อารมณ์เท่านั้น สมจริงดังคำอธิบายในคำพีอัตถกถาว่าพระดำรัสว่าอิติรูปังนี้คือรูปหมายความว่าย่อมรู้ชัดรูปตามลักษณะของตนว่าสภาวะนี้คือรูปที่แปรปรวนและรูปก็มีเพียงเท่านั้นไม่มีรูปอื่นยิ่งไปกว่านี้แม้เวทนาเป็นต้นก็มีในเดียวกันนี้ นักปฏิบัติผู้ยังเห็นลักษณะของรูปเป็นต้นอย่างชัดเจนแล้วย่อมจะเกิดปัญญาอย่างเห็นความเกิดดับของรูปเป็นต้นอีกด้วยกล่าวคือรูปที่เคลื่อนไหวด้วยการเหยียดและการคูมีสภาวะเกิดขึ้นและสิ้นสุดในแต่ละอาการที่เหยียดและคูต่อมานักปฏิบัติจะรับรู้การเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วของสภาวะเหยียดคูเป็นต้น นอกจากนี้นักปฏิบัติดังกล่าวอาจเข้าใจเหตุที่ทำให้รูปเกิดขึ้นและดับไปอีกด้วยกล่าวคือรูปเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ที่เกิดในภพก่อนตัณหาความเพลิดเพลินในการมคุณซึ่งเกิดในภพก่อนกรรมการกระทำในภพก่อนและอาหารสิ่งที่ดื่มกินในภพนี้ เวทนาเกิดจากอวิชชาตัณหากรรมและผัสสะการที่จิตกระทบกับอารมณ์สัญญาเกิดจากอวิชชาตัณหากรรมและผัสสะสังขารเกิดจากอวิชชาตัณหากรรมและผัสสะวิญญาณเกิดจากอวิชชาตัณหากรรมและรูปนามส่วนเหตุแห่งความดับของรูปเป็นต้นมีลักษณะตรงกันข้ามกันกล่าวคือรูปดับ เพราะอาวิชาดาบดังนี้เป็นต้น